Book 2ูหกสิบอสามอเอื้าลำดับเลขรี go บ i ทีริทชวิตีซัคเลบิรี go บิทริทวิตีซเลบิ เดือนแรกคือเดือนมกราคมพิเรเวลิทเวอาริสอนวารีิเเวลทเวอาริสอนวารีเดือนที่สองคือเดือนกุมภาพันธ์เมโอเรทเวอาริสเทเบรวาลีเมโอเรทเวอาริสเทเบรวาลเดือนที่สามคือเดือนมีนาคม เมื่อไหรทวอาริสมาร์ติเดือนที่สี่คือเดือนเมษายนเมื่อไหร่ทวอาริสอัปรลีเดือนที่ห้าคือเดือนพฤษภาคม Messi, เมฆุทเวอาทิสไมอิิเมฆุเวอาิสไมซิเดือนที่หกคือเดือนมิถุนายนเมฆุตเวอาทิสอิวิซิเมเวอาิสอิวนิศิหกเดือนคือครึ่งปี เอ r ุสิตว์อาร <maritime> <elite> <elite> ิสนาเขวาริทเซลลมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมธันวาคมธันวาลมมาร์ติเมษายนพฤษภาคมและมิถุนายน อ prili mai si i อิ r i l i m เดือนที่เจ็ดคือเดือนกรกฎาคม m e s c h v i d e t v e a ิ i s i v l เดือนที่แปดคือเดือนสิงหาคม เมรเวทเวอ e aris a วิ s t o เเดือนที่เก้าคือเดือนกันยายนเม์เครด v e a ารเมดส์ v e aris se ต์เรเดือนที่สิบคือเดือนตุลาคม เมื่อเททวอาริออกตุเบรีเดือนที่สิบเอ็ดคือเดือนพฤศจิกายนเมื r i เทอาริสโนยนบรีเดือนที่สิบสองคือเดือนธันวาคม เมื่อเทออาริตเดมเบรีเมื่อเทออาิเดมเบรีสิบสองเดือนคือหนึ่งปีททอาิตยเอซลีทอมอาทิเอซลี กรกดาคมสิงหาคมกันยายนอีวิลซอากวตเซตบรีอลอากวิสโ e ตบรตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมอกตุมเบรีโนเอมเบรีเบรีออกตบรีนอบร เทคแอมเปอร์